ลักษณะว่างอย่างที่สองว่างนี้เล็งไปยังลักษณะที่จิตกำลังไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรลักษณะของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงนั่นแหละเรียกว่าความว่างเหมือนกันข้อที่หนึ่งนั้นว่าสิ่งทั้งปวงมีลักษณะว่าว่างคือลักษณะของสิ่งทั้งปวง ข้อที่สองนี้ชี้ไปยังว่างที่จิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งทั้งปวงข้อนี้ให้เข้าใจว่าตามธรรมดาแม้ตัวจิตเองมันก็ว่างว่างจากตัวตนแต่จิตนั้นไม่อาจจะรู้สึกว่าตัวมันเองว่างเพราะมันมีอะไรมาหุ้มห่อรบกวนอยู่เรื่อยได้แก่ความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเพราะการเห็นรูป ฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวหนังเป็นต้นนั่นเองจิตจึงไม่รู้สึกต่อความว่างในตัวมันเองหรือต่อความว่างในสิ่งทั้งปวงต่อเมื่อใดจิตปลดเปลื่องสิ่งที่หุ้มห่อออกไปเสียได้หมดกล่าวคือปลดเปลื่องความยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงด้วยความไม่รู้นั่นแหละออกไปเสียหมดเมื่อนั้นจิตก็มีลักษณะว่างเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวง ความว่างในลักษณะที่สองนี้จึงหมายถึงว่างที่เป็นลักษณะของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงปิด ก, กันกับอย่างที่หนึ่งซึ่งหมายถึงว่างที่เป็นลักษณะของสิ่งทั้งปวงว่างทั้งสองอย่างนี้มันเนื่องกันถ้าสิ่งทั้งปวงมันมีลักษณะโดยแท้จริงคือว่างจากตัวตนที่ควรยึดมั่นถือมั่น ว่ามันว่างอย่างนี้เราจึงเห็นความจริงว่ามันว่างได้ถ้าตามความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่างจากตัวตนแล้วเราก็ไม่อาจเห็นว่ามันว่างได้เลยแต่ที่นี้ตรงกันข้ามทั้งทั้งที่สิ่งทั้งปวงเป็นของว่างเราก็เห็นเป็นไม่ว่างไปเสียหมดเพราะว่าจิตชนิดที่ถูกกิเลสถูกอวิชชาห่อหุ้มนั้นไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนไปหมด ไม่ว่าในอะไรแม้แต่ในฝุ่นสักเม็ดหนึ่งอนุภาคเล็กน้อยอันหนึ่งนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของฝุ่นนั่นเองรู้สึกเป็นบุรุษที่สองจากเราขึ้นมาทีเดียวเราเป็นบุรุษที่หนึ่งคือตัวเราบุรุษที่สองคือสิ่งต่างต่างนอกจากตัวเรานั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ล้วนแต่เป็นตัวเป็นตนของมันเองทั้งนั้น เราจะต้องรู้จักคำว่าว่างนี้ว่ามันหมายถึงอะไรให้ถูกต้องที่สุดซึ่งสรุปแล้วก็ให้รู้จักว่าว่างนี้คือลักษณะของสิ่งทั้งปวงอย่างหนึ่งแล้วว่างนี้คือลักษณะของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงนี้อีกอย่างหนึ่งว่างทีแรก เป็นวัตถุแห่งความรู้หรือความเข้าถึงว่างที่สองคือจิตว่างนี้เป็นลักษณะของจิตที่ว่างเพราะเข้าถึงความจริงคือความว่างนั้นจิตมองเห็นความว่างในสิ่งทั้งปวงรวมทั้งตัวมันเองมันจึงสลายไปเองเหลืออยู่แต่ความว่างคือจิตได้กลายเป็นความว่างซิเอง และจะเห็นทุกๆสิ่งเป็นความว่างหมดนับตั้งแต่ฝุ่นเม็ดหนึ่งไปถึงนิพพานอย่างที่กล่าวแล้วจะเป็นสิ่งของหรือเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นสถานที่เป็นเวลาเป็นอะไรต่างๆเป็นธรรมไม่ว่าในลักษณะไหนหมดล้วนแต่ล้อมตัวเป็นสิ่งเดียวคือเป็นความว่างเพราะความที่มารู้ความจริงข้อนี้นี่คือความหมายของคาว่าว่าง